มันไสอะไรมันไสกษัตริย์ลิชวีมากเนี่ย น, นะเกลียดเลยนะโกรธมากเลยว่าจะต้องทําลายบ้านเมืองนี้ให้ได้ภูเก็ตเอาไว้เลยเออมันก็เนื่องจากว่าศึกชิงวัตถุกามทั้งหลายนั่นแหละศึกชิงสิ่งที่น่าปรารถนาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเออมันมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านอันนี้เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกัน น, น, นะ หมายความว่าเป็นหมู่บ้านที่ก็เหมือนกับสมัยใหม่อ่ะนะแถวอินเดียก็คือแคว้นแคชเมียนนั่นแหละที่มันทะเลาะ ก, กันอยู่นั่นแหละแบ่งแยกดินแดนไม่มีสิทธิ์ไม่มีจบมีสิ้นนี่ก็คล้ายๆกันคือเนื่องจากว่ามีหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะในปัตตานคามแถวใกล้ๆปาตลีบุตรเป็นต้นเนี่ยแห่งแม่น้าําคงคาพระเจ้าชาติศัตรูนี่มีอํานาจบริเวณนั้นประมาณครึ่งโยศก็คือ8ดกิโล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 คือคล้ายๆกึ่งกึ่งประชาธิปไตยแต่ก็อยู่ในในคนกลุ่มหนึ่งจะไม่ไม่สู่สาธารณชนส่วนราชเครกนั้นปกครองด้วยโดยสมบูรณ์อนายาสิทธิราชคืออำนาจทั้งหมดเบ็ดเสร็จไว้ที่พระเจ้ า, าชาติศัตรูแต่เพียงผู้เดียวไม่เหมือนกับเมืองไผ่สาลีเมืองไผยสาลีนั้นขึ้นตรง ต, รงต่อเครือญาติ น, นะเครือญาติวงใหญ่ของกษัตริย์ดิชวีเนื่องจากว่าผลประโยชน์ ตรงนั้นเนี่ยนะตรงคาบเกี่ยวหมู่บ้านชายแดนระหว่างแคว้นวัดชีกับแคว้นมคตเนี่ยมันไม่ค่อยลงรอยกันเมื่อไม่ค่อยลงรอยกันทำยังไงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่บนภูเขาขิจกูดใกล้กรุงราชครกทีนี้พูดในเมืองราชครึกนั้นพระราชาอาชาตศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตโอรสของพระนางเวเทหิมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปปราบปรามแคว้นวัชี เควนวัชีก็คือเมืองไพยเครียกแควนเนี่ยเควนวัชีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองไพรสาลีนะไพรสาลีนั้นก็อย่างที่รู้กันก็คือใกล้ๆเมืองไพรสาลีก็มีป่ามหาวันนะนะป่ามหาวันท่าคันทกุฏีที่เราไปกราบไปไหว้หกันจะไปที่แถวๆป่ามหาวันใกล้กรุงไพรสาลีไม่ใช่ตัวเมืองไพรสาลีนะก็ระมรที่เรียกว่าป่ามหาวันทีนี้พูดถึง พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเนี่ยนะอยู่ที่เมืองราชครึกแต่แคว้นที่ปกครองเนี่ยเรียกแคว้นมคธกับแคว้นอังคะมีอยู่สองแคว้นด้วยกันนี่พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นตรัสอย่างนี้ว่าพวกเจ้า ว, วัดชีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเจ้า ว, วัดชีก็คือกษัตริย์ปกครองแคว้นวัดชีเนี่ยมีฤทธิ์มากหมายคือว่ากษัตริย์กลุ่มนี้สามคกีกันดีมากเขามีอยู่เจ็ดพันกว่าองค์ นะเกษัตร ท, ที่ที่มีอํานาจออกสิทธิ์ออกเสียงในบ้านเมืองในะอยู่เจ็ดพันกวองค์เป็นกษัตริย์ที่ร่ำแต่ละองค์ก็ร่ํารวยอ่ะนะแล้วก็กษัตริย์เหล่านี้มีอนุภาพมากก็หมายความว่าชํานาญในการรบนะนะชนาญในการรบจัดกระบวนทัพเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอนทําลายแว่นแควนวัดชีเนี่ยใชเราจะต้องทําลายจะต้องทําให้พินาทย่อยยับจัดทำแคว้นวัดชีให้พินาดจักทำแคว้นวัดชีให้ถึงความ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 เรเป็นมั่งไม่เป็นบ้างพวกนี้ไปตายก่อนเพื่อนนะง้ยเถอกลๆกับเพิ่งงานน่ะนะถูกเผาก่อนพวกฉันความเครียดแค้นของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแหมมันเป็นเหมือนกับไฟสุมอกอยู่ตลอดเวลาจะต้องทำลายเมืองภยสาลีแควนวัชชีอันนี้ให้ได้ครั้งนั้นแลพระราชาอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแควนมคตโอรสของพนางเวเทหิตตรักกับวัสการพรางผู้เป็นมหาอมาตย์ของแควนมคต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 รุนแรงเนี่ยนะทั้งผูกเวรรุนแรงเพรา ะ, ะถ้าใครไม่เอาด้วยกับแกแ ก, แกพร้อมจะฆ่าได้เลยนะวางแผนทําลายล้างได้เลยวัสการาพราหมีเป็นคนที่ค่อนข้างใจเด็ดแล้วก็ใจเฮี้ยมแต่ก็ฉลาดเนี่ยนะฉลาดมากแล้วก็ตายจากชาตินี้ก็ไปเกิดเป็นลิงนะนะที่ไปด่าพระมหากัจยณะแนหะของนี่แหละวอ่าพราหมณ์คนนี้แล้วเขาเป็นมหาอัมมาที่ที่ใหญ่มากเลยนะตำแหน่งเขาใหญ่รองเฉพาะพระเจ้าชาติศัตรูเท่านั้นเอง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 การทรงพระสําราร์ตามคำของเราก็คือไปสอบถามเกี่ยวปัญหาสุขภาพเป็นต้นนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตโอรสของพระนางเวเทหิถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงความไร้พระโรคาพาดความคล่องพระองค์พระกาลังการทรงพระสําร์อันนี้เรียกว่าเป็นคำแป ไปกราบทูลสอบถามเสร็จแล้วก็กราบทูลอย่างนี้เพิ่มเติมว่าพระราชาอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตโอรสของพนางเวเทหิบมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปปราบปรามแคว้นวัชี mm hmm. บอกเลยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะทำศึกสงครามและไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังอ่ะพระพุทธเจ้าซึ่งไม่สัเสริญการทาปาณาิบัตโดยประการทั้งปวงะจะทาสงครามเล่าให้พระฟังก่อน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 หาตรัสสิ่งที่ปราศจากความจริงไม่จริงมันเป็นแผนของพระเจ้าอาชาติสตรูอีกวิธีหนึ่งนะแผนของเขาก็มีอยู่ว่าขึ้นชื่อว่าการรบกับคณะเจ้ากับหมู่เจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนักมากงานนี้เนี่ยถ้าพลาดเราก็ล่มจมเหมนกนเถอะเพราะฉะนั้นพลาดครั้งเดียวไม่ได้อ่ถ้าพลาดเมื่อไหเราเราเสร็จเสียหาย ห, หมดแน่ เพราะการยกกองทัพไปเนี่ยมันหมายถาว่าแพ้กับชนะถ้าชนะก็ถือว่าคุม้มถ้าไม่ชนะก็แปลว่าแพ้ล่มสลายแน่ว่า ง, งั้น แ, แพ้ครั้งเดียวไม่ได้สงครามครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์แพ้ชนะอย่างเดียวนี่ทไงเราจะต้องไปปรึกษาบัณฑิตสักคนหนึ่งที่เขาสามารถชี้แนะเราได้ทีนี้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบัณฑิตงั้น และพระศาสนาก็ประทับอยู่วัดใกล้ๆใกล้ๆวังเราเนี่ยอยู่ในเขาคิชกูดอยู่แล้วไม่ไกลเอาเถอะเราก็จะส่งคนไปถามส่งคนไปถามคือปถามที่ถามบอกว่าถ้าเรายกกองทัพไปนะนะถ้าหากว่าไปแล้วเนี่ยชนะกลับมาพระพุทธเจ้าต้องนิ่งคือถ้าไปพูดให้พระองค์ฟังแบบนี้นะเขาเขาเขาเดาไว้ในใจแล้วเหมือนกับว่าออกโป้ออกก้อยนะคล้ายๆแบบนั่นอนะ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 ทำไมต้องรบด้วยเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แปลว่าเราแพ้นะก็เลยส่งวัสดการพรามไปลองดูนะเพราะพระพุทธเจ้าพูดยังไงก็พูดแต่คําจริงหมดอะแตนะถ้าไปแล้วมีประโยชน์อะไรถ้าพูดอย่างงี้แปลว่าเราแพ้ไม่ต้องไปรบแล้วแต่ถ้าแหมถ้าไปแล้วก็ถ้าพระองค์นิ่งเฉยเฉยก็นะแน่ก็เลยส่งพระสดการพรามไปที่จริงเนี่ยนะมันก็เป็นบุญของชาวภัยสาลีเหมือนกันนะชาวแคว้นวัดชีที่ทําให้พระเจ้าชาติศัตรูคิดแบบนี้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 ถ้ายกไปยังไงก็ชนะไปรบกับพระโสดาบันเนี่ยยังไงพระโสดาบันท่านก็ไม่ฆ่าเราชนะอย่างเดียวอยู่แล้วว่างั้นเถอะ